หน้า399จึงบอกว่าข้อที่ศีลมีอาชีพเป็นที่8หเนี่ยเรียกว่าอาชีวมัทกศีลของพระตถาคตเจ้าผู้ทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณไม่ใช่มีเพียงบัดนี้ไม่ใช่ช า, ชาติสุดท้ายที่เปียเป็นคนบริสุทธิ์อดีตชาติศีลของพระองค์ก็เป็นศีลที่บริสุทธิ์เหมือนกันบอกมีตัวอย่างไหมบอกมีเนี่ยนะในเวลาที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ก็เป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ ในอดีตเมื่อนานมาแล้วสมัยที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยนะมีพระราชาสองแขวนแขวนคันธาระและพระราชาแขว้นวิเทหะพระราชาสององค์นี้เป็นสหายกันทั้งคู่เห็นโทษในการมทั้งหลายก็เลยมอบราชสมบัติแก่ราชโอรสทั้งคู่ก็ผนวดเป็นฤาษีแล้วเที่ยวไปบิณฑบาตณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ที่หมู่บ้านแห่งนั้นเนี่ยนะเป็นชายแดนเกลือหายากบางประเทศบางภูมิลำเนาเนี่เกลือหายากฤๅษีทั้งสองนั้นก็ได้ข้าวต้มปกติแล้วก็ฉันข้าวต้มที่ไม่ได้ใส่เกลือนั่งเดื่มข้าวต้มไม่ได้ใส่เกลือทีนี้พวกมนุษย์ก็จะมีบางครั้งเอาเกลือป่นมาถวายวันหนึ่งคนหนึ่งก็ใส่เกลือป่นในใบไม้มาถวายแก่วิเทห์ฤๅษีวิเทห์รับเกลือปน่นแล้วก็แบ่งให้กับคันธาระฤๅษีก็คือแบ่งคนละครึ่งนะแบ่งเกลือ ฤๅษีทั้งคู่นั้นก็เอาเกลือเนี่ยโรยบริโภคหน่อยส่วนวิเทหฤๅษีก็เลยคิดว่าเกลือนี้อย่าได้เสียหายเลยก็เลยเอาใบไม้เนี่ยมัดห่อไว้ในดงหญ้าทีนี้ในะวันหลังเวลาข้าวต้มก็มีข้าวต้มมาอีกวิเทหฤๅษีนี่ก็ไปเอาเข้าว ต, ต้มมาไปเอาข้าวต้มมาผสมเกลือเนี่ยนะแล้วก็แบ่งเกลือนั้นให้กับคันธาระฤๅษี อ, อ น, นะ คันธาราฤศีก็บอกว่าท่านไปเอาเกลือนี้มาจากไหนวิเทหฤศีก็บอกว่าเวเทหฤศีก็บอกว่าเนี่ยเกลือเนี่ยบริโภคเหลือจากวันนั้นผมคิดว่าเกลืออย่าได้เสียหายไปเลยคันธารฤศีก็เลยตําหนิเพื่อนว่านะตำหนิเพื่อนนะแล้วตัวเองก็ไม่รับด้วย จำเนธวิเทหฤษีว่าท่านเนี่ยละหมู่บ้าน 16,00 งที่บริบูรณ์ด้วยท้องพระคลังที่มั่นครองบัดนี้ก็ยังมาสะสมเกลือเรียกว่าเรือนคลังเนี่ยนะมีทรัพย์สินมากมายหาประมาณไม่ได้ร่ำรวยเหลือเกินสิ่งเหล่านั้นยังสละได้ยังมาสะสมเกลือเล็กน้อยเนี่ยนะคำจำเนธที่นับว่ารุนแรงกันนะ ล, ละบ้านละเมืองมาทั้งหมดมาสะสมอยู่แค่เกลือเ น, นนเนี่ยนะว่างั้นนะวิเทหฤษีพอฟังแล้วก็บอกแม้ท่านนะ ท่านละราชสมบัติมากราะว่าสมบัติใหญ่โตมาเพียงนั้นเนี่ยท่านยังมาปกครองนะที่นี่อีกหรือประมาณนั้นนะกระว่ากรุงคันอ่ะกระว่าเมืองคันธาระมีทรัพย์มากท่านออกมาบวชก็ยังมาปกครองที่นี่อีกหรือปกครองอะไรก็มาโอวาทใช่ไหมมาโอวาทเพื่อนนะอ่ะแหมยังเป็นมาเป็นนักปกครองบริหารอยู่กันสองคนก็ยังมาเป็นนักบริหารจัดการอยู่ที่นี่อีกหรือ อีกคนหนึงบอกแม้ละเรือนคลังมายังมาสะสมเกลือเนี่ยนะบอกท่านก็ไม่เบานะเนี่ยมาเป็นผู้ปกครองอยู่ในบ้านในป่าอีกนะนะปกครองบ้านเมืองแล้วมงไม่พอมาถึงป่าก็ยังมาเป็นนักปกครองอยู่นี่อีกเหมือนคันธาระฤศีก็บอกข้าพเจ้ากล่าวธรรมไม่ได้พูดสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นธรรมข้าพเจ้าไม่ชอบเมื่อข้าพเจ้ากล่าวธรรมอยู่บาปไม่เข้ามาพัวพันใครว่าพูดพูดสิ่งที่ถูกต้องเนีย่ยบาปไม่ไม่ติดบาปไม่เพื่อนบาป เวเทหาฤษีก็บอกว่าบุคคลอื่นได้ความย่อยยับเพราะการสรรเสริญอย่างใดอย่างหนึ่งหากบัณฑิตไม่พึงกล่าวคำนั้นที่มีประโยชน์ใหญ่คันธาราฤษีก็บอกว่าความใคร่จงย่อยยับหรือใยญ่ย่อยยับไปจงเรียรายเหมือนโปรยแกลบเมื่อเรากล่าวทำอยู่เราไม่เข้าไปติดพันบาปก็ไม่เข้ามาติดพันเราวิเทหฤษีก็คิดว่าเอ๊ะ e, ผู้ใดไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษา อะ น, นะไม่มีแบบมีแผนก็เหมือนกับควายตาบอดเที่ยวไปในป่าหรือกระบือปา่าควายตาบอดเที่ยวไปในป่าเนี่ยนะก็เลยคิดต่อไปอีกว่าก็เลยกล่าวว่าถ้าความรู้สำหรับตนไม่เพิงมีไซส์หรือไม่ได้ศึกษาวินัยไว้ดีคนเป็นอันมากเที่ยวไปก็เหมือนกระบือเที่ยวไปในป่ากระบือตาบอดควายตาบอดเที่ยวไปในป่าคนที่ไม่มีการศึกษาเนี่ยนะ อย่างอย่างที่บอกว่าพระเนนถ้าไม่ได้เรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีแล้วไปในป่าจะต่างอะไรจากควายตาบอดเที่ยวไปในป่าเนี่ยนะแม้ถ้าไอ้คำว่าควายเนี่ยาภาษาไทยเราก็ไม่ได้ชมอยู่แล้วนะถ้าควายตัวนั้นตาบอดจริงจะหนักขนาดไหนเนี่ยนะก็เพราะฉะนั้นก็ควรจะศึกษาให้ดีในสํานักของเรียกว่าศึกษาวิในในสํานักของครูอาจารย์ให้ดีเพราะฉะนั้นเวเทหะฤศีก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีโทษเนี่ยนะที่เองตัวเองผิด จะเป็ น, นักสะสมแล้วก็ยังไม่รู้ตัวก็เลยขอโทษกับคันธาระหรือศีแล้วทั้งคู่ก็ประพฤติพรหมจรรย์ก็ไปถึงพรหมโลกคือสรุปว่าพระโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้ที่มีอาชีพที่บริสุทธิ์ปราศจากการสังสมนี้ย้อนมาในพุทธพจน์อีกเนี่ยนะว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์รักษาศีลเนี่ยนะอาชีพ ทบที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าพราะองค์เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ทางกายบริสุทธิ์ทางวาจาบริสุทธิ์ทางใจแล้วก็บริสุทธิ์อย่างนี้เนี่ยบริสุทธิ์มานานแล้วรวมทั้งอาชีพด้วยในหน้า389บรรทัดที่4จากบนเมื่อจะสอบสวนให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ อ, นอีนะตรวจสอบพระองค์ะนะพิจิงก็ที่ผ่านมาก็ตรวจสอบในเรื่องศีลนั่ น, นแหละศีลทางกายศีลทางวาจาศีลทางอาชีพเนี่ยนะทีนี้อันอันหนึ่งที่สําคัญมาก ก็คือบอกว่าสอบสวนให้ยิ่งว่าภิกษุผู้มีอายุนี้เนี่ยนะคือหมายถึงพระพุทธเจ้ามีชื่อเสียงปรากฏมียศโทษบางอย่างของเธอยังมีอยู่ในเรื่องนี้ภิกษุทั้งหลายโทษบางอย่างไม่มีแก่ภิกษุในเรื่องนี้ตราบเท่าที่เธอยังเป็นผู้ไม่เป็นผู้มีชื่อเสียงปรากฏ ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีชื่อเสียงปรากฏมียศเมื่อนั้นโทษบางอย่างของเธอจึงจะมีในเรื่องนี้ภิกษุนั้นสอบสวนอยู่นั่นแหละย่อมรู้อย่างนี้ว่าภิกษุผู้นี้เนี่ยนะเป็นผู้มีชื่อเสียงปรากฏได้ยศได้ยศแต่เธอก็ไม่มีโทษในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็รู้ได้เลยว่าผู้มีอายุนี้ปรากฏชื่อเสียงเป็นผู้ได้ยศโทษบางอย่างก็ไม่มีในเธอในกรณีนี้ ก็จริงอ่ะนะอย่างแกบอกว่าถ้ายังไม่ดังก็ไม่เสียนะพอดังเมื่อไหร่ก็เสียเมื่อพอมีลาบมียศมีสรนเริญมีการยกย่องมีการนับถือเมื่อบริบูรณ์ด้วยลาบสการะในที่สุดก็เสียจนได้น่ะนะแกว่าพอมีลาบมียศมีสรนเริญมีบริวารมีคนนับหน้าถือตาล้อมหน้าล้อมหลังกลายเป็นคนเลวไปเลยเนี่ยนะเรียกว่าอะไรเสียหายจนได้ในที่สุดบางคนเนี่ยตอนที่ไม่มีใครยอมรับนับถือเนี่ยดีดีเนี่ยนะ อยในอัตกถ า, าท่านบอกว่าต่อเมื่อที่ไม่มีใครนับถือไม่เป็นที่รู้จักเนี่ยแม้ทาตัวดีเหลือเกินยากที่จะรู้ว่านี้เป็นพระโสดาบันสกะทําตัวเหมือนพระโสดาบันพระสกะทาคามีใครๆไม่สามารถบอกได้เล ย, เยคนนี้เป็นพระอริยะหรือเป็นปุถุชนบรรลุหรือไม่บรรลุแต่ตอนหลังพอมีชื่อเสียงเข้า กลายเป็นเหมือนกับโคตัวดุไล่เอาเขาแหลมเนี่ยเที่ยวขวิดฟูงโคเหมือนเสือเหลืองย่ํายีพวกเนือ้อนะ่ยประพฤติกายกรรมที่ไม่เหมาะสมเที่ยวเอาปลายเท้าเหมือน อ, อะไรเหมือนเอาปลายเท้าเนี่ยแตะแผ่นดินคือว่าคือคือบางคนนี่ก็อย่างว่าพอตอนที่ตัวเองไม่มีใครรู้จัก เป็นคนเรียกว่าเป็นผู้เล็กผู้น้อยอยู่เนี่ยนะโอ้ยดีเหลือเกินดูเหลือเกินตอนหลังมีชื่อเสียงมีลาบมีสกการะมียศมีตําแหน่งกลายเป็นคนเสียไปเลยเนี่ยนะเสียคนเพราะลาบยศสรรเสริญและตําแหน่งเนี่ยนะก็อย่างที่แบบเพลงโบราณเพลงบรรลกทุ่งนะนะพอพอดีพอเด่นพอดังปั๊บก็ลืมก็เลยลืมรลืมเท้าก็วางกันไปเนี่ยนะแต่ว่าบางท่านไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยนะตราบใดที่ชื่ อ, อมีชื่อเสียงปรากฏเด่นดังก็ตาม ท่านเหล่านั้นก็โน้มตัวลงเหมือนข้าวสาลีที่เต็มด้วยผลพวงเะนั้นก็น้อมลงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถึงใครจะเคารพนับถือสการะโดยที่สุดแม้กระทั่งเป็นที่สการะของพระราชามหาอามาัดเป็นต้นเข้าไปอยู่เธอก็ไม่อภิจารณาเห็นความไม่มีกิเลสเครื่องกังวลถึงจะเด่นจะดังมีชื่อเสียงมีลาบยศสรรเสริญปานใดก็ช่างท่านก็ไม่มี กังวลเนี่ยนะเท่าไปตั้งไว้ในสมณะสัญญาความสำคัญหมายว่าเป็นสมณะเป็นผู้สงบเสงี่ยมไม่เบ่งมีจิตต่ำเนี่ยนะดุดโคอุสภาพะมีเขาขาดเหมือนเด็กจันทานปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ภิกษุสงฆ์และแก่ ชาวโลกเนี่ยนะก็คือมักน้อยสันโดษไม่เ ย, อย่อหยิ่งนะว่าง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิง่งสันโดษเลี่ยงง่ายไม่คลุกครีเป็นต้นนะนะก็คือตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติเหล่านั้นอย่างเสมอตนอ่าเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายไปเรื่อยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโทษที่ห้าบแล้วว่าดังแล้วก็ไม่เสียอะไรถึงคนรู้จักมากขนาดไหนท่านก็ไม่ไปทําตัวเป็นที่เสียหายเนี่ยนะก็ก็ดีต่อไปเนี่ยนะที่นี้ ตรวจสอบข้อต่อไปอีกเนี่ยนะตรวจให้ยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยนะในหน้า 386-89 ยเนี่ยย่อนหน้าที่สอที่สบอกว่าเมื่อภิกษุนั้นจะตรวจสอบอย่างนั้นให้ยิ่งไปกว่านั้นก็เลยคิดว่าท่านผู้นี้ถึงพร้อมด้วยความยินดีในสิ่งที่น่ากลัวหมายคาว่าปกติแล้วคนนี้มีภัยอยู่ในตัวไหม เป็นคนมีภัยหรือว่าดับภัยหมดแล้วยังมีภัยหรือว่าน่ากลัวนี่หมายถึงภัยเป็นคนที่ยังมีภัยหรือไม่มีภัยเป็นผู้ที่เข้าถึงความยินดีในภัยหมายคือว่าเธอไม่เสพกามเพราะปราศจากความกำหนัดเพราะความกำหนัดสิ้นไปเมื่อสอบสวนก็รู้ว่าท่านผู้นี้ถึงความยินดีในสิ่งที่ไม่น่ากลัวไม่เป็นผู้ถึงความยินดีในสิ่งที่น่ากลัวและก็ไม่เสพกามเพราะปราศจากความกำหนัด เพราะสิ้นความกำหนัดเสร็จแล้วเนี่ยนะก็แปลว่าเป็นคนที่ไม่น่ากลัวตัวท่านเองก็ไม่น่ากลัวพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวใช่ไหมเพราะว่าพระองค์เป็นคนที่มีความมั่นคงในโล ก, กธรรมทั้งหลายและพระองค์ไม่มีภัยในหน้าสี่สองกลางหน้าเขาบอกว่าภัยเนี่ยมีสี่อย่างบางคนเนี่ยมีภัยเพราะยังมีกิเลสเดี๋ยวก็มีภัยเพราะราคะมั่งเดี๋ยวภัยมาจากโทสะเดี๋ยวก็ภัยมาจาก โมหะบางทีก็มีอาวัตภัยก็ยังมีภายในวัตตะเนี่ยนะบางพวกก็ยังไม่พ้นภัยคืออบายทุกติวินิบาศนรกบางคนก็ยังไม่พ้นภัยคือถูกอะไรเป็นที่ตั้งแห่งการคอรหาตําหนิติเตียนว่าร้ายปุถุชนยังไม่พ้นจากภัย4ี่อย่างเลยกิเลสก็ไม่ได้พ้นใช่ไหมไม่รู้มันกําเริบวันไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะเปรียบเหมือนคนที่ยังเหมือนกับเชื่อโรคยังในตัวเยอะไม่รู้ว่ากาเริบออกมาวันไหน หรือภัยในวัดตะเวียนไหว้ตายเกิดก็ยังไม่หมดไม่สิน้นนี่เวียนว่า้ตายเกิดก็ไม่น่ากลัวว่าต้องเผลอไปหลุดไปสู่อาบายก็เรียกว่าทุกขติภยัยหรือว่าถูกตำหนิติเตียนตนติเตียนต น, ตต น, ตนผู้อื่นพิจารณาแล้วติเตียนเป็นต้นพัะปุตุชนยังกลัวยังอยู่ด้วยความหวาดระแวงผวาในภัยสี่อย่างเสขบุคคลทั้งหลายยังมีภัยสข้อเพราะท่านไม่มีภายในอาบายทุกขติอีกแล้วสําหรับพระอาหารทั้งหลายไม่มีภัยทั้งสี่อย่าง นะเพราะฉะนั้นท่านไม่มีภัยทั้งสอย่างภัยที่เกิดจากกิเลสก่อใหม่มีภัยในวัตตะของท่านก่อใหม่มีภัยในทุกคติหรือภัยที่เกิดจากการติเตียนของพระเรียเจ้าทั้งหลายไม่มีพลพรรคทหารทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะที่ถึงท่านปราศจากภัยท่านอยู่เนี่ยนะท่านก็อยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อการสงเคราะห์แก่ชนเหล่าอื่นเนี่ยนะ มันก็ยกตัวอย่างว่าพระ้าหั่นที่ดำรงอยู่เนี่ยนะท่านดำรงอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสงเคราะห์แก่บุคคลเหล่าอื่นทีนี้ท่านเนี่ยไม่กลัวการติเตียนเพ่งโทษแต่ท่านสงสารคนที่ติเตียนท่านพระ้าหั่นทั้งหลายท่านไม่มีข้อไหนที่จะทําให้ติเตียนท่านหรอกเพราะท่านไม่มีความชั่วด้วยกายวาจาใจเหล่าใดให้ติเตียนแต่คนที่ตาหาเรื่องอะนะ เรียกว่าตาหาเรื่องเนี่ยพวกนี้จะเข้าไปตีเตียนไม่พิจารณาให้ละเอียดทีท่วนก็ติเตียนพระอรหันต์บางทีท่านก็สงสารบุคคลเหล่านี้อย่างยกตัวอย่างว่ามีพระขีนาศพรูปหนึ่งเนี่ยนะอยู่ในมูลุ ป, ปะละวาปีวิหารพระเทระเข้าไปในหมู่บ้านมูลุ ป, ป, ะ, ล ป, ปะละวาปีวิหารเพื่อบินบาทคนทั้งหลายก็รับบาทของพระอรหันต์รูปนั้นเนี่ยพูไปถึงประตูตระกูลอุปถา เสร็จแล้วก็ปูอาสนะอิงเก้าอี้นอนให้ท่านทีนี้ฝ่ายที่ดาอัมมาตเนี่ยนะก็คือไปฉันในบ้านอัมมาตในนะบ้านเศรษฐีใหญ่ะนะอาศัยเก้าอี้นั้นแหละนอนคือลูกสาวลูกสาวของอัมมาตก็อาศัยเก้าอี้นอนก็ปูอาสนะส่วนอาสนะที่พระฉันนั่งฉันก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นแหละภิกษุเจ้าถิ่นรูปหนึ่งเนี่ยนะไปบิณฑบาตภายหลังไปยืนที่ประตูบ้านกําหนดว่าพระเถระนั่งบนเตียงเดียวกับที่ดาอัมมาศเรียกว่าตาหาเรื่อง แต่จริงๆแล้วคนละที่กันเลยเนี่ยนะแต่แต่ไอ้ความที่คนเนี่ยมันมันอยากมองในแง่ลบมันก็เลยเห็นในแง่ลบเลยคือก็อย่างว่าในกรณีเดียวกันเนี่ยคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยมันก็มองเพื่อให้เพื่อทําลายศรัทธาเนี่ยอย่างเนี้ยพระรูปนี้ปกติอย่างพระรูปนี่ก็รู้สึกมันไส้กับพระอราหันต์รูปนี้อยู่แล้วเพราะอะไรคือคือกิริยาอาการของผู้ที่เป็นพระอราหันต์กับไม่เป็นพระอราหันต์มันต่างกันเพราะฉะนั้นประชาชนโดยธรรมดาปกติจะเคารพ น, นอบน้อมต่อ ผู้ที่เป็นพาหะอาหารมากกว่าโดยโดยโด ย, โดยโวิสัยอยู่แล้วว่างั้นเถอะแต่พระสุรูปนี้ก็หมั่นใส้ามานานแล้วล่ะก็เลยได้โอกาสอันนี้ก็แปลว่าสายตาหาเรื่องมานานแล้วว่าแหมองนี้จะต้องมีความเลวสักอย่างหนึ่งนะก็คอยจ้องเพ่งโทษในที่สุดก็เออเนี่ยไปนั่งเตียงเดียวกันกับลูกสาวอัมมาศิธา